Thank you. เห็นว่าหลักสูตรนี้จะใช้จอใช้สื่อเยอะมาก <c oughs> เพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราเข้าใจในเวลาห้าวันอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนยุคปัจจุบันเราโตมากับสื่อเราโตมาด้วยการเห็นทั้งตาแล้วก็ได้ยินทางหูพร้อมกันคนรุ่นใหม่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้น็ t ตบุ๊กดูทีวีเป็นหลักคนรุ่นใหม่การอ่านหนังสือไม่มากนอกจากหนังสือเรียนการฟัง โดยส่วนเดียวคนรุ่นใหม่จึงขาดจินตนาการเพราะว่าเนื่องจากความเคยคุ้นกับการเห็นทั้งภาพและเสียงเข้าไปพร้อมกันการจินตนาการจึงมีความจำเป็นน้อยลงแล้วก็ความสามารถทางด้านนี้จึงต่ำลงไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เขาชอบอ่านหนังสือเขาจินตนาการภาพตามหนังสือแต่คนรุ่นใหม่เห็นเลยชัดเจนตรงไปตรงมาตามที่เห็นจึงขาดจินตนาการ เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าเวลาคนรุ่นใหม่ฟังพระเทศหนึ่งจะรับได้ง่ายมากเพราะว่าเขาไม่ถึงแล้วไม่สามารถตามสิ่งที่พระท่านพูดได้เัื่อนเราเห็นข้อบกพร่องการจะพัฒนาให้กลับขึ้นมาคงไม่ใช่เรื่องง่ายสู้ตามกันไปเลยดีกว่าก็คือให้ท่านเห็นทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกัน แม้แต่ปล่อยให้อ่านเองบางทีก็ยังไม่นั่นต้องอ่านแล้วก็ให้อ่านตามอีกถึงจะเข้าสื่อก็ต้องดึงมาให้สัมผัสได้ตัวอย่างต้องสัมผัสได้เพราะสัมผัสได้ถึงจะยอมรับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้หรือเพอร์เซพชันของคนในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องต้องร่วมสมัยไปด้วยกัน แล้วค่อยดึงกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดันการทำสื่อถ้าท่านเห็นในหลักสูตรนี้อาจจะใช้สักครึ่งหนึ่งของที่มีซึ่งตลอดห้าปีเนี่ยผมทำสื่อเปิดการบรรยายธรรมแล้วก็มีสื่ออยู่ยก็คือเยอะมากครอบคุมทุกๆเรื่อง เวลาผมบรรยายเรื่องไหนที่รู้สึกว่าคนไม่เข้าใจปั๊บผมจะทำสื่อขึ้นมาช่วยตอนนี้ยังขาดที่ยังอยู่ที่ส่วนใหญ่ก็จะทำเองอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ทำให้เข้าใจได้ไง่ายแต่บางสื่อก็มีบริษัทเขาเอาไปทำบ้างก็มีนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่อย่างเช่นสื่อที่ผมบอกว่าถ้าเราโกรธใจที่กำลังโกรธกายมันกำลังจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นตามจิตก็คือกาลังจะเป็นสัตว์นรกเวลาผมไปอธิบายให้นักศึกษาตามมหาลัยฟังเนี่ยมันมีเวลาฟังอยู่แค่สามชั่วโมงเพราะนั้นการที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ในเวลาสามชั่วโมงให้ยอมรับที่ตัวเขาเองเนี่ยต้องยอมรับว่าสื่อมีส่วนช่วยนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จผมต้องอธิบายให้ท่านเห็นภาพต้องมีการมันใช้กาลังมาก ก็จะให้ท่านเห็นภาพนี้ขึ้นมาตามความจริงแต่ถ้ามีสื่อก็จะช่วยให้แค่ขึ้นเดียวนะครับใช้กําลังครึ่งนงแล้วท่านก็จะเห็นเลยว่าสมมติว่าใครใครดูหนังที่ว่ามันโกรธแล้วตัวมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับชื่ออะไรสักอย่างเนี่ย H U L K หรืะเนี่ยมันโกรธโกรธต้นเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยผมต้องการให้ทําอย่างเงี้ยพอโกรธปุ๊บเปลี่ยนเป็นสัตว์นรกขึ้นมาเลยเปลี่ยนเป็นสัตว์นรกภาพที่เห็นเป็นภาพของสัตว์นรกเห็น พออยากได้อะไรก็ตัวก็ค่อยสูงขึ้นมาเป็นเปรตเป็นเปรตเป็นเปรดเป็นเปรตสูงขึ้นไปได้เลยคนก็จะนึกภาพได้เลยว่าโอ้ยนี่ถ้ามันเปลี่ยนได้จะกกายยาบเนี่ยเปลี่ยนได้ทันทีนะก็มันก็เปลี่ยนเลยแต่นี่มันเปลี่ยนไม่ได้มันก็เลยต้องสั่งสมไว้ก่อนนะครับสั่งสมไปก่อนแต่ที่แน่ๆทุกแล้วนะครับทุกไปก่อนเลยส่วนกายนักว่ากันอีกที ทีนี้วันนี้ทำไมจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องฝึกสติหรือตาไหนเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าในเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยเราไม่เห็นความเคลื่อนไหว ของกูมีได้มีแต่พอเพลของกูมีขึ้นจนได้พอหายเพลของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้เป็นเรื่องดี จากเรื่องราวที่เราได้อ่านไปมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันจนถึงหน้าสุดท้ายที่ท่านเห็นเวลาเราขับรถถ้ามีใครเบียดเข้ามาในเลนของเรามันเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติเลยคือเราจะแตะคันเร่งเพื่อให้ใกล้ๆคันหน้าไว้เขาจะได้เข้าไม่ได้ 95% ของคนขับรถเป็นอย่างนี้ทุกคน ถ้าโดนกระแทกกระแทะกระแทะเข้ามาเรื่อยๆก็เริ่มหงุดหงิดละเริ่มบ่นกับคนข้างๆละคนเดี๋ยวนี้มันเห็นแก่ตัวจริงๆดูมาิหากวันไหนที่ท่านออกจากซอยแล้วต้องรีบเข้าเลนขวาให้ทันไม่งั้นอยู่เทินไม่ทันแล้วอยู่เทินหน้าไกลมากแล้วก็รถติดกันโอ้โหท่านก็จะทําแบบเดียวกันครั้งนี้พอคนก็ทําแบบที่ท่านเคยทําไม่ให้เข้าท่านก็จะพูดนคนข้างๆด้วยอาการหงุดหงิดด้วย คนดย๋ยวนี้มันไม่มีน้ำใจอะไรกันเนี่ยวันหนึ่งท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็พูดแบบหนึ่งแล้วก็ต่อว่าคนที่ก็ททำวันหนึ่งที่ท่านทำท่านก็ตอว่าคนที่ก็ทําแบบท่านเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่อง d o u standard เพราะทุกคน double standard หมดทุกคนแล้วไม่รู้ตัวด้วย คนอื่นกดเอทเอมช้าท่านหงุดหงิดหายใจลดต้นคอก็เลยแต่ถึงคราวที่ท่านทำบ้างแล้วคนอื่นทำบ้างท่านจะบอกว่าคนนั้นไม่มีมารยาทนี่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้ทำไมเราไม่เห็นอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นข้างในซึ่งไม่มีวันเห็นเพราะธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอยู่ข้างในเป็นนามธรรมาเราจึงไม่เห็นความเคลื่อนไหวของสิ่งนี้เพราะเรา ไม่มีตาในตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรียนอนุบาลมาจนจบไม่ว่าจะชั้นไหนจนถึงปริญญาเอกไม่มีมหาลัยไหนโรงเรียนไหนสอนให้เราปลูกตาในขึ้นมาเลยสอนให้ใช้ตานอกดูสิ่งแวดล้อมรู้ทุกอย่างในโลกยกเว้นตัวเองจักรวาลจะไกลแค่ไหนรู้หมดยกเว้นตัวเองรู้ทุกทุกอย่างเลย กลับมาศึกษาก็ได้แต่ศึกษากายแต่ไม่รู้จักจิตนักวิทยาศาสตร์ก็รู้หมดเหมือนกันในกายทำอะไรได้บ้างแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นเราเพราะมันไม่มีทางเลยถ้าเกิดไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีมรรคมีองค์แปดที่จะทำให้สิ่งนี้เนี่ยกลับมารู้แจ้งขึ้นมาด้วยตัวเองได้ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้หรอกเปี่ยนก็เปลี่ยนได้เล็กๆน้อยๆแต่เปลี่ยนทนถึงก้นบึ้งจริงๆคนๆนั้น ต้องเปลี่ยนเองรู้แจ้งเองขึ้นมาอย่างสื่อนี่ก็เช่นกันนะครับเรานั่งดูนั่งอ่านเวลาเราอยู่ในคอร์สเราไม่รู้สึกแต่เวลา m อ3มพสามันถูกเผยแพร่ออกไปท่านลองนึกภาพว่าท่านไม่เห็นท่านได้ยินแต่ท่านจะได้ยินเสียงแต่เสียงเพลงคุ้งกลิ้งคุ้งกลิงงิงไปเรยเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังอ่านในเรื่องอยู่ หลายครั้งที่มีเข้ามาถามว่าอะไรมีเอ็มพีสามเผยแพร่ออกไปมีการเปิดเพลงด้วยเหรอในข้อปฏิบัติก็ฟังไว้ตรงนี้เลยนะครับคนที่กาลังฟังอยู่ว่าตรงนี้เขามีตัวหนังสือเยอะแยะเลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องเพราะคนที่บ้านเขา็าไม่รู้ว่าเราอ่านอะไรก็เลยยากนะทีนี้แล้วหลักสูตรนี้สือมันเยอะด้วย เพราะเวลาเผยแพร่เนี่ยหลายครั้งที่ไปออกสถานีวิทยุเนี่ยก็ไม่ได้อัดิศคือไม่ได้ตัดในส่วนที่เป็นเพลงดนตรีหรืออะไรออกเลยคือเปิดไปเลยคนฟังก็นั่งงงก็เลยนั่งฟังกุงกิ้งกุ้งก ง, ปงไปเรื่อยแต่ก็ไม่รู้ก็เห็นอะไรกันนึกว่าในคอสนั่งเปิดเพลงฟังกันทีนี้ทำยังไงเราถึงจะเกิดเห็นธรรมชาติ เกิดปลูกตาในขึ้นมาได้วานตอนเรานั่งสมาธิเราก็เป็นอยางไงโกโก้บอลีจะได้พิดารณาใช่ะหมบ้างอุดิโอจะได้แทนเรา อะไรเช่นีบชแห่งอาบบขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะตัวแค่นีนะ้เต็มที่นะ 谁打？好，玩家就拿到大光棍，把他们都烤两遍。谁打？谁打？好，玩家就拿到大光棍，把他们都烤两遍。应该在是北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、武汉、长沙、成都、西安、重庆、昆明、贵阳、拉萨、乌鲁木齐、西宁、拉萨、乌鲁木齐、西宁、拉萨、乌鲁木齐、西宁、拉萨、乌鲁木齐、西宁、拉萨、乌鲁木齐、西宁、拉萨、乌鲁木 ขึ้นนะครับพวกผู้ใหญ่ฝึกตั้งนา น, น่ยลงไปก็เล่นได้เลย You're not as clean as you think. Aren't you glad you used dial? สังเกตไหมว่าพอท่านเห็นหมาเลียน้ำแล้วก็มีเสียงเปิดประตูข้างล่างหมาก็รีบวิ่งลงมาเจ้านายเดินเข้ามาพอหมาเลียหน้ากแล้วก้หมดการปรุงแต่งี่ยนำไปก่อนเลย รู้หมดถ้าลองมันผิดเลยก็ทำเป็นไม่พูดไม่จานเฉยๆมาขอที่ชู่หอนหนึ่งครับห้าบาทห้าบาท<อ>หนึ่งพันห อ, อนเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบห้าครับโทษทีนะครับผมผมผมช่วยนะไม่ออก Uh, 900 900. อ่าเก้ารนะ้อยเกร้อยเก้าสิบห้าครับบาทเท่าไหร่นะเก้าร้ยเก้าสิบห้าบาทครับ9ก5าเก้าสิบห้าสิบแปดไม่ต้องไะครับป้าแมวที่ชู่แล้วครับผมเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับยุคนี้ต้องเร็วนะครับใช้บัตรเงินใจเย็นดีนะอนนี้ Thank <laughs> you. ผมไปบรรยายเรื่องเนี้บ่อยแล้วก็เปิดคลิปเนี้บ่อยผมไปที่สภาหอการค้ามานะครับว่าเชิญไปบรรยายผมก็ถามว่ามีใครเป็นผู้บริหารโคก้กบ้างพอดีไม่มีวันนั้นเป๊ปซี่ไม่มีผมก็ว่าสมมติว่าท่านเป็นผู้บริหารโคก้กและเห็นโฆษณาเนี้ยตอนนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้าง ร, รู้สึกยังไงแล้วจะทําไงต่อ ก็มีคนนึงยกมือบอกว่าผมโพส v e ฟทิงก i n g โค้ขายได้สองกระป๋องเพปซี่ขายได้กระป๋องเดียวว่าไปนูน่นสักพักเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกผมคงโกรธแล้วผมก็คงเอาคืนก็คงเรียกน้อง ม, มาลูกน้อง ม, มาแล้วก็ออกโฆษณาเพื่อตอบโต้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนทำธุรกิจผมก็บอกว่าถ้าผมเสนอความเห็นอย่างนี้ล่ะเกิดมีผู้บริหารสักคนหนึ่งของโค้กขออนุญาต่เอ่ยชื่ อ, อเผอิญว่าพอหลังจากเขาดูโฆษณา น, นี้จบเขาตบมือแลวแสดงความชื่นชม กับสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วเขาก็บอกลูกน้องเขาบอกว่าเยี่ยมเป๊ปซี่ทำงานได้เยี่ยมมากถึงตาพวกเราทำงานแนละ้วไปทำงานได้แล้วทำไมเขาต้องโกรธละ่ะในเมื่อทุกคนก็เป็นเหมือนอาชีพทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองผู้บริหารก็เป็นเมืออาชีพเหมือนทั้งนั้น เดี๋ยวโคก็จ่างไปถา้ากับซิกจ้างมาต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในขณะที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามซึ่งเป๊ปซี่ก็ทําแล้วแล้วก็ทําได้ดีด้วยซึ่งโฆษณาในประเทศที่สามารถโฆษณาเปรียบเทียบได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแค่นี้ถือว่าอยู่ในกติกาก็จบถึงหน้าที่ของโค้ก็ทํางานไปสิทําไมต้องโกรธก็ด้วย ถ้เมื่ออาชีพจริงไม่เสียเวลาโกรธหรอกเพราะว่ามันเสียเวลาทํางานลองนึกดูดีๆนะครับธรรมะคือหน้าที่เนี่แหละหากท่านรู้จักที่จะมีธรรมะในการทําหน้าที่มันก็จะสามารถย้อนกลับไปที่ผู้พิพากษาหรืออะไรที่เรายกตัวอย่างกันมาตลอดทุกคนทําหน้าที่ แล้วทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าหน้าที่จริงๆคือก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีโลภะโทสะโมหะเข้าไปบนนี่ก็เช่นกันก็สามารถแอพพลายลงมาได้ถึงธรรมะคือหน้าที่แต่นักปฏิบัติเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเลยชอบเอากึ่งๆ ก, กลางๆแล้วคิดเอาเองพอมาถึงมาปฏิบัติธรรมโอ้ยสงบดีจัง เราต้องรู้จักปล่อยวางแบบนี้เองเพราะหลังจะกลับไปทำหน้าที่ถ้าผู้พิพากษาหลายๆท่านท่านเกิดปล่อยวางขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าปล่อยวางแบบที่เราเข้าใจโจรทําผิดก็ปล่อยวางงั้นเหรอตำรวจมาเข้าก็เลยปล่อยวางไม่ต้องจับโจรแม่มาเข้าปฏิบัติเห็นลูกซนตีกันเฮ อ, อปล่อยวางเถอนะหุดหงิดไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆ อย่างนี้เีด้ปล่อยวางเหรอผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาเข้าคอสที่ผมเพิ่งจบจากคอสของปตทมา HR ทั้งนั้นถ้าคืนทุกคนลูกน้องมาเข้างานเก้าโมงครึ่งสิบโมงดื่มเหล้ากันมาปล่อยวางเถะพี่พแผนกล้อาไปเข้าคอสกันแล้วต้องหัดปล่อยวางไออย่างนี้เขาเรียกปล่อยปะละเลยขอประทานโทษเขาไม่ได้เรียกปล่อยวางไออย่างนี้ต้องไล่ไอคนมาเข้าคอสออกก่อน แล้วต้องไปเช่งด้วยว่าคอสไหนสอนทำไมชาวพูดถึงเพี้ยนแบบนี้สอนอะไรกันปล่อยวางอะไรเอะเขาปล่อยวางตัวตนไม่ใช่ปล่อยภาระงานแต่ที่ทุกคนเอาแต่ปล่อยประละเลยแล้วมาอ้างปล่อยวางเหะแม่เริ่มดูลูกเหรอให้ลูกมันผลปี้ไปเลยไงให้ที่ทํางานเสียหายเหรอลดมาตรฐานลงเพื่อจะได้ปล่อยวางเหรอ ผมบอกว่าคิดผิดแล้วนะไม่มีนะคำสอนนี้เขาถามผมว่าแล้วถ้าเราไล่คนออกเราไม่บาปเลอผมบอกว่าคุณไล่ใครออกละ่ะถ้ามันเมามาทางานมันเข้ามาทำงานสายทันบนแล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนถึงเวลาคุณไล่ออกผมถามว่าคุณไล่มันออกหรือมันทำตัวจนออกเอง พระราชาสั่งตัดหัวโจรเนี่ยพระราชาบาปเหรอพระราชามีสั่งตัดหัวคนดีเหรอโจรมันชั่วมันรับกรรมของสิ่งที่มันทำพระราชามีหน้าที่เป็นเพียงผู้คุ้มกฎให้สังคมอยู่อย่างสงบเย็นภาพที่เราเห็นในเรื่องกฎแห่งกรรมเพียงแต่ว่ามันหลุดเลยไปเป็นโทสะ แต่ถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะบุคคลเหล่านี้จะเป็นปูชนียะบุคคลที่ทำให้โลกสงบร่มเย็นไอคนถูกตัดหัวพวกถูกไล่ออกเพราะเมาเหล้าเขาทำตัวเขาเองไม่ได้มีใครทำเราเพียงแต่คุ้มกฎให้มาตรฐานอยู่ตามที่ตกลงปฏิบัติธรรมอย่าเพี้ยนปฏิบัติให้มันเห็นความจริงแล้วทุกอย่างจะสงบ ไม่ใช่ปล่อยวางและลดมาตรฐานของสังคมลงข้อตกลงทั้งหมดต้องลดลงอย่างนี้ก็ป่นสิบริษัทต่างๆทั้งหลายที่มีมาตรฐานสูงโดนพนัก ง, งานปล่อยวางกันหมดค่อยๆลดมาตรฐานตัวเองลงแทนที่จะเข้างานแปดโมงครึ่งเข้าเก้าโมงครึ่งก็ได้เพราะว่าผู้จัดการท่านไปปฏิบัติธรรมมาท่านมีจิตใจที่ประเสริฐท่านจึงปล่อยวางไอ้อย่างนี้ต้องเอาคนนั้นออกก่อนเอาออกไปไกลๆบริษัทเลยถ้าบริษัท แล้วถ้าปฏิบัติแบบนี้อย่ามาอ้างพุทธศาสนาเพราะว่าเสียหายปล่อยวางแบบไหนเนี่ยแบบนี้เขาเรียกปล่อยประละเลยไม่ใช่ปล่อยวางเวลาท่านนั่งสมาธิแล้วปวดขาท่านปล่อยวางยังไงครับปล่อยวางโอ้ปวดขาจัปางปล่อยวางไปเลย ปล่อยวางของปล่อยวางเปล่อยวางของท่านคือการกาจัดความเจ็บปวดอย่างนี้ไม่ได้เรียกปล่อยวางกลับไปดูใหม่ในใจท่านต้องการจะกาจัดเขาอย่างนี้มัจะปล่อยวางกันได้ยังไงแล้วยังไงปล่อยวางดูดีๆนะะเดี๋ยวบาลังหน้าลองดูใหม่ความปวดเกิดขึ้นเรื่อยๆ ปวดปวดบีบคั้นขึ้นเรื่อยจากเวทนาทางกายเริ่มเข้าสู่เวทนาทางใจเริ่มปวดแล้วก็ท่านไปดึงเวทนามาเป็นของเราเองจากสัญชาตญาณที่สั่งสมมาจากอาวิชชาที่ไม่รู้จึงไปดึงมันเข้ามาถ้าจะปล่อยวางมันจะมีคำคำนี้หลุดออกมาเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเวลาจะปวดก็ปวดไปเปถอะปวดไปได้เต็มที่เลย ปวดไปได้นานอย่างที่ต้องการเลยเพื่อนเลยท่านไม่ได้ต้องการกำจัดเขาและท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรความปวดเป็นอิสระจากท่านเมื่อ น, นั้นท่านจะเป็นอิสระจากความปวดแล้วท่านจะพบความจริงอย่างหนึ่งว่าใจที่ทุรนทุรายมันดับวับ ความปวดอาจจะอยู่หรือไม่อยู่เรื่องของความปวดไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้เขาเรียกปล่อยวางอย่า ก, กำจัดเขาถ้าพยายามกำจัดเขาอย่ามาอ้างว่าตัวเองปล่อยวางแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่แกก็อยู่ของแกไปจะอยู่นานแค่ไหนจะอยู่สั้นแค่ไหนแกเป็นอิสระจากฉันเมื่อนั้น ฉันจะเป็นอิสระจากเธออย่างนี้ถึงจะเรียกปล่อยว่า Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Cool. Ah! Oh, oh, oh, hell. oh. Shit, no. it's North It's n o American alligator, oh, man. Shit. Okay, what do we do? Uh, hell, let's just yeah, we should let's just, just go. Let's just go. Let's just let nature take its course. No, there you go, y'all. You t r e s p a s s e n s sir. You little sir. sneaky trespasser. Get back in! No, sir. <laughs> sir please sir. get back in the yard. Sir, What are please. Doing? Hi, we got a situation here, Hi, sir. Yeah, we got a situation. Couple blueberries coming in, and making a fruit salad. Huh? Sir, please, sir. sir? Yes. No. Yes. no, no. Hey, we can't no. let you go in the pool, sir. Why not? I'll get you no. wet. You scared his pre little well, n I don't know, sir. Uh, no, so s we're not. No, yeah, he's a Gator. Where are you from? Where are you from? You don't know Gator. We're from Reno. We're not from Reno. Not <laughs> <laughs> oh, look, yeah. look here. Rule number one for Gator: you gotta respect it. You don't respect the Gator, Gator o t respect you. Don't, don't, hey, don't watch touch the the it. stop. They got peripheral eye vision on the side. I m come at him like another predator, not a prey. I come at him like a predator. Stop like a, that, like TJ. Please just stop. o u t o f t this. Now watch this. Watch this. Watch this. No. Oh, okay. Don't even reflect, b e 'cause he respect me. One, two, three, four, no. five, and then it split to a double. That means this guy, a fifty-year-old, he been attacked before. He know how to approach. Watch this. Watch. o no. Watch for it. No. u you you're e person? a a good person? think ถ้าไม่หยุดรู้ไหมครับเราชินไปกับสิ่งนี้รู้อย่างคำว่าพระุทธเจ้าบอกว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์กิจในอริยสัจคือควรรู้เรารู้ทุกข์ไหมครับไม่รู้นะครับเราชินไปกับมัน ทำไมเราจรึงชินเกิดกับมัเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูต่อบางคนอยากรู้ว่าตกลงจะเป็นยังไงตอนจบวันนี้ด้วยความที่เราชินอยู่กับความเคลื่อนไหวผมถึงบอกว่าให้กลับมาเคยคุ้นกับความสงบไว้แล้วเมื่อเลิเมื่อเกิดความทุกข์ใจหรวยความบีบคั้น มันจะเหมือนมือทอาน้ำธรรมดาเนี่ยไปจุ่มในน้ำอุน่นไอ้อย่างนี้ไม่ถึงกับร้อนหรอกมันแค่อุ่นๆแต่มันไม่เตือนเลยสังเกตเลยทุกคนจดจ่อต่อเนื่องไหลเพลินเกิดนันทิราคะความเพลินในราคะไปเรื่อยๆไม่มีใครมีสติกลับมาที่ตัวเองเลยเพราะว่านี่เป็นสัญชาตญาณของคนทั่วๆไป ที่มาฝึกวันนี้เนี่ยเพื่อให้เมื่อท่านฝึกไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยขณะที่ท่านกำลังดูเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมมติอนาคตข้างหน้าไปเจอลักษณะแบบนี้จใจมันจะค่อยๆบีบคั้นขึ้นจากสิ่งที่ท่านดูหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแค่เนียมันจะเกินจุดที่ท่านคุ้นเคยแล้วสติมันจะเตือนเลยว่าความทุกข์เกิดแล้ววันนี้เครื่องตัดเครื่องวัดแผ่นดินไหวท่านไม่ทำงานเลยบางคนอาจจะทำงานแต่บางคนไม่ทำงานเลย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชินมากๆเลยกับชีวิตไม่ขีดตอนฟู่แรกถ้าท่านเป่าเนี่ยดับง่ายมากแต่ถ้าท่านปล่อยให้มันลุกลามจนกระทั่งไหม้ทั้งบ้านทั้งกองฟางแล้วเนี่ยเป่ากับน้ำแก้วหนึ่งเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เลยถึงตอนนั้นมันลุกลามไปแล้วเพราะเราไม่เห็นตอนมันเริ่มต้นต้องฝึกให้เห็นตั้งแต่ต้น สติจะพัฒนาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ตอนมักองค์ที่ห 7, เจปจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่สามสี่ห้าตั้งแต่มีศีลช่วยช่วยขัดเก่ามาเรื่อยๆ no! No! No! No! No! No! and You have to see this video to believe it. What first looks like a lion about to attack is actually an African lion bonding with its rescuer with a hug and a kiss. This heartwarming footage comes to us from an animal sanctuary in Colombia. It seems the king of the jungle must have a soft side, after all. Yeah, because when you first see that right there, you don't know what's wow. going on. Wow, she has big kiss on him. on wow. Right, wow. she actually rescued him six years ago. He was found malnourished, so they're together every single day, and look loves that. the love has formed, hasn't it? <laughs> see, I can't even get my dog to sit in my lap. I, oh, I'm sure you can. We'll talk. Talk free. <laughs> talk free, mate. ใจของท่านก็คืกักกึคือกักอยู่ข้างในไหมครับบังคับได้ไหมครับไม่ได้ทําไมบังคับไม่ได้เขาไม่ใช่เราขันท่าทำงานตามประสบการณ์ของเขาเองมีเราที่ไหนมีเราต้องบังคับใจได้สิบังคับไม่ได้เขาทางานก็เองวันนี้เริ่มสังเกตให้เห็นก่อนแล้วเดี๋ยวกระบวนการของมัก จะเป็นละเหตุเกิดเองเห็นเลยว่ากึกกักเออน่ารักดีแต่อุ้มหวาดเสียวจะกินหัวไม่กินเลยหัวปากก็เบลเลอเลยอมหัวคนเข้าไปกัดได้เนี่ยมันก็ปรุงไปเรื่อยกึกกักกกักกึกกักขึ้นึ้เลยสังขารก็ปรุงอะไรก็ปรุงบัดสารกระทบวิญญาณก็ทํางานหวาดเสียวเสียวซ่านแต่ก็น่ารักดีนะกกักกกักสุดท้ายจบทุกฟรีไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นคนเนี่ยทุกฟรีตลอดเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องทุกฟรีให้ฟังเรื่องหนึ่งคนทุกฟรีตลอดด้วยความไม่รู้เนี่ยนะทุกฟรี Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end. Beautiful friend, this is the end. My only friend, the end of our. Year. โนาสั้นๆสามสิบวิอารมณ์เปลี่ยนไปกี่อารมณ์ครับอย่างน้อยๆสามเห็นๆแรกๆ ก, ก็เฉยๆจะตึ้งๆดึงด้งๆเพี้ยเข้าไปเลยโอ้ยนี่ก็สงสารเศร้าหมองเดี๋ยวตือต้อๆก็ขำขึ้นมาเลยผัดสะกระทบข้างในก็เคลื่อนไหวกระทบรูปกระทบ น้ำเคลื่อนไหวตลอดเราก็ว่าแทบจะจูงได้เลยการเคลื่อนไหวเป็นไปตามประสบการณ์เดิมของเขาไม่มีอะไรกการเคลื่อนไหวเป็นอาการของมันเรียกว่าอาการของจิตสาเหตุหลักไม่ได้ถึงกับจะมาแก้ที่ตรงนี้ทีเดียวหรอกอย่างน้อยรู้ทันเพื่อจะเบรกในช่วงต้นก่อนแต่ว่าจุดมุ่งหมายต้องการไปแก้ ตั้งแต่อวิชชานเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้ว่าเมื่อปฏิบัติตามมรรคจะไปชำระที่ตัวจิตจนส่งผลมาถึงการเปลี่ยนแปลงอาการของจิตทั้งหลายวันนี้เราทำหน้าที่หลายๆองค์ประกอบรวมๆกันไปเห็นความเคลื่อนไหวเกิดดับก็เห็นไปนะครับเห็นการบังคับไม่ได้ก็เห็น เห็นบางครั้งเกิดสภาพทุกข์ก็เห็นไปเห็นอะไรก็เห็นไปแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงหลังๆปฏิบัติตามมากมันก็จะเริ่มมาประมวลกันจนกระทั่งสามารถเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาได้เข้ารู้เองแหละนำเขาให้ถูกก็แล้วกันจิตมีท่ารู้แต่จะรู้เองได้ไม่ต้องห่วงจะนำถูกได้ยังไงก็อาศัยโยคะกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์ วันนี้มันไม่รู้นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเอาหมดลแล้วมันกลายเป็นกูชอบไหมและกูไม่ชอบมันจึงรวมกันเข้ามาไม่เห็นรูปนามปุยฝ้าคือความอัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป เกิดการกระเทือนการเคลื่อนไหวในเบื้องต้นก็ทําได้แค่นี้แหละนะครับเห็นความเคลื่อนไหวก่อนให้แยกเป็นชิ้นก่อนมีรูปกระทบมีนามเคลื่อนไหวเอาแค่นี้ก่อนส่วนขั้นตอนในการจัดการก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันต้องอาศัยมากเข้าไปชำระจะเข้าไปกดคมหรือจะเข้าไปรู้ทันเอาถตามสบาย แล้วแต่สถานการณ์เองดูโฆษณาที่ท่านจะไม่ได้เห็นทางทีวีคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไร เราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชน คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ เราจะจับตาดูผูกคนและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเป็นในเพื่อดรักชาติสุบชีด <c oughs> กระทบก็กระเทือนอยู่ดี ผมไม่ได้มาปุกระดมเพราะานีเห็นผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านออกมากาบาดกันนะต่อต้านคอร์รัปชันผมไปบรรยายให้จุฬาฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาตัวแทนจุฬาการบรรยายหกชั่วโมงผมเปิดสื่อนี้เขาดูผมบอกว่ารู้ไม่ว่าทำไมสื่อนี้ถึงออกมา เพราะพวกนิสิตนักศึกษานี่แหละคุณไม่รู้หรอกซื้อนี้ออกมาจากสภาหอการค้าที่ทนไม่ไหวต่อไปที่จะต้องจ่ายสามสิบปอร์เซ็รู้ไว้ด้วยนะครับแล้วที่เจ็บปวดที่สุดคือคนรุ่นใหม่ทั้งแต่อายุสิบแปดถึงยี่สิบที่กำลังมีสิทธิ์เข้ามา ลงสู่สนามเพื่อจะมีสิทธิ์เลือกตั้งกลับมีโพออกมาบอกว่าเขายอมรับการคอร์รัปชันขอเพียงให้คนเหล่านั้นทำงานก็แล้วกันถึงจุดนี้เนี่ยผู้ใหญ่รับไม่ได้อีกต่อไปคนรุ่นใหม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบล้เพียงให้มาทำงานพวกคุณมีมิจฉาทิถีละ พวกเขาอาสามาทำงานไม่ใช่อาสามาทำแล้วขอโกงกลับไปบ้างคนอาสามาทำงานต้องมาทำงานไม่ใช่ยอมให้เขาโกงเขาถึงมีคำว่าเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบอีกต่อไปคนที่ออกสื่อนี้มาก็รู้เขาบอกผมว่า ขอให้มันสำเร็จในอีกส0สิปีข้างหน้าก็ได้แต่ต้องมีคนเริ่มและตอนนี้คนเริ่มเสียชีวิตไปแล้วคือประธานสภาหอการค้ า, าท่านทำงานหนักมากคนรุ่นหลังๆก็ช่วยกันสารต่อปณิธ า, านนี้ต่อไปผมไปบรรยายให้นสาวฟังที่ไหนผมเปิดผมไม่ได้มาปลุกระดมแต่ผมต้องการให้เกิดสัมมาทิฏฐิ วันที่ผมขึ้นเวทีแห่งนี้เมือ่อน่าจะเป็นปีสองปีที่แล้วในการบรรยายกับหมอพรรทิปผมชอบคํานึงของหมอพันทิปมากหมอพรนทิปบอกว่าตอนหมอเด็กๆพ่อหมอดุมากลูกทุกคนต้องมีศีลห้าใครไม่มีถูกตีใครผิดศีลห้าโดนแม่โดนพ่อตีแล้วพ่อบอกเสมอว่า ถ้าใครเดินไปแล้วพบฝาท่อเปิดแล้วไม่ปิดคนนั้นบาปหมอเคยเถียงพ่อว่าหนูไม่ได้เป็นคนเปิดแต่หนูเป็นคนเจอหนูต้องแก้ไขถ้าคนเดินมาตกท่อเราบาปเพราะเราเจอแล้วเราไม่แก้เดินไปเจอแก้วแตกไม่เก็บบาป คนเจออับบาเพราะคนต่อไปเหยียบและบาดเจ็บเพราะเขาไม่เห็นแทนที่มีคนเจอแล้วเก็บเรื่องนี้จะไม่เกิดเดินออกคนสุดท้ายต้องปิดไฟถ้าไม่ปิดบาปพ่อบอกหนูมไม่ได้เปิดนะ่ะแต่เราออกคนสุดท้ายแล้วจะให้ใครปิดหมอถูกสอนมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหมอถึงไม่ยอม ให้เรื่องผิดผิดผ่านหน้าไปเฉยเแล้วไม่กลัวตายวันนี้ถ้าลูกลูกหลานๆเราถูกสอนให้รับผิดชอบแบบนี้สังคมจะสงบแต่วันนี้ทุกคนยอมยอมแล้วมาพูดว่าปล่อยวาง ผิดไปหรือเปล่ารุนแรงไปหรือเปล่าฟังข้างเดียวหรือเปล่าทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า คิดถึงประชาชนหรือเปล่ากงหรือเปล่าเอาเปรียบหรือเปล่าให้ปัญญาประชาชนหรือเปล่าเสื่อมหรือเปล่า รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือเปล่าแล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด แก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแกง จำความสูญเสียไว้ในใจแล้วปลีดให้เป็นพลังนั่งสมาธิครับเรื่องจบใจจบอย่าเรียกากนะครับ อินทร์ภาวนาชั้นเลิศอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเห็นแล้วว่าเป็นแค่เพียงของปรุ่แต่งแบบหยาบๆแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระ ง, งับและปราณีตกล่าวคืออุเบคาอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจดับลงไปไวดุดกระพิบตาอุเบคายังคงเหลืออยู่นี้แหล เราเรียกว่าอินสีภาวนาชั้นเลิศจบก็จบอย่าเหยียซางมีให้ดูก็ดูจบแล้วจบชอบก็วาไม่ชอบก็วาง จใจเปิดไปคิดก็กลับมารุ่มลมไว้ไม่ต้องห่วงเรื่องสงบหรือไม่สมบงบฝึกให้จิตกลับมาเข้าาอยู่บนฐานกายที่พนทปุจ้าใช้คำว่ากายยกษตาสตนะิให้มีกายเป็นที่ตั้งแห่ง ว, วิหารธรรมเป็นวิหารธรรมให้จิตอยู่ เมื่อก่อนเราสร้างบ้านดูแลทุกอย่างให้กายแสนจะสุขสบายแต่เราปล่อยจิตกรเรวราดเลยให้อยู่กับใครก็ไม่รู้อยู่กับกิเลสปล่อยให้มันสนตะไยไปไม่มีการอบรมบ่มนิสัยเลยเหมือนเรามีลูกสองคนคนหนึ่งดูแลอย่างดีดีชื่อกายอีกคนหนึ่งสำคัญมากๆเลยแต่ทิ้งหัวซุกหัวซุนปล่อยไปอยู่กับโจน จิตมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งไว้ใจได้ชื่อสติแต่ไม่ให้อาหารไม่ให้เงินเดือนเผอมแห้งแรงน้อยล้วเิยพี่สติก็หมดแรง แ, แต่พี่กิเลสเนี่ยเติมกันไม่หยุดทั้งเงินเดือนทั้งอาหารทั้งโบนัสรับเละ วันนี้อยู่ๆจะเอาลูกคนนี้มาให้ได้ดังใจระวังเขาจะตอกหน้ากลับอนะาจจะนั่งยี่สิบนาทีนะครับอารมณ์ตอนนี้กับอารมณ์ตอนที่ดูก็ไม่เหมือนกันนะ อารมณนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปอเุเบกขาก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งต่งางๆเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับช่ใยๆเกิดแล้วก็ดับจะยึดอะไรนักหนา ทุกคนวิ่งไขว่คว้าหาความสุขกันทั้งชีวิตยอมเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่อจะได้เงินเพราะคิดว่าเงินจะซื้อความสุขได้วิ่งไลไล่าอะไรก็ไม่เจอเงินใช้ซื้อได้แค่ความสะดวกสบายไม่ใช่ความสุขเมื่อติดความสะดวกสบาย จึงนึกเอาเอนว่าความลำบากเป็นทุกข์ด้วยความไม่รู้จึงไปโยงที่สตีนี่เองนาทีสุดท้ายมาถึงแน่ไม่ขึ้นกับอยากหรือไม่อยากของใครอยากไปก็ทุกข์ไม่อยากก็ทุกข์ ทั้งฝากชีวิตไว้กับบ้ามหมายทุกอย่างนี้ทำไมไม่มีความสุขทุกนาทีทำไ ม, ไมต้องรอมีความสุขตอนนาทีสุดท้ายแลวก็ถึงนาทีสุดท้ายไปก็ไม่มีความสุข